เพื่อพากันตั้งสติสำรวมใจให้ดีเวลานี้เรามาประชมุมพร้อมเพรียงกันเพื่อฝึกขนกายฝึกขนใจให้เข้าถึงความสงบกายก็ น, นั่งนิ่ง เอามือขวาทับมือซ้ายวางลงที่ตักตั้งสติให้แน่วแน่ะระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกของตนต่อจากนั้นก็ตั้งสติกำหนดให่งลมหายใจเข้าหายใจออก หายใจเข้าไปก็รู้หายใจออกมาก็กำหนดรู้ไม่ไม่ไปกาหนดรู้อย่างอื่นรู้แต่ลมหายใจเข้าออกเท่านั้นเพื่อให้ใจมันหยุดอยู่ไม่ให้มันคิดส่งไปทางอื่นจึงต้องกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกนั้น ความรู้สึกอันนั้นน่ะคือจิตหรือว่าใจก็ว่าความนึกคิดขึ้นมาจากดวงจิตนั่นแหละมาจากความรู้สึกนั่นเองเนี่ยแล้วนี้เราก็เอาสติเข้าไปตั้งไว้ประคองจิตนั้นให้ ตั้งมั่นอยู่ภายในอย่าให้จิตมันคิดส่งออกไปทางอื่นให้มันเป็นหนึ่งให้มันตั้งอยู่ภายในนั้นโดยเฉพาะอันดวงจิตนี่มันอาศัยอยู่ที่หาไทยวัตถุคือเนื้อหัวใจนั่นเองเลย ไม่ใช่อยู่ที่อื่นเพราะฉะนั้นหายใจเข้าไปมันจึงรู้อยู่ตรงนั้นแหะหายใจออกมาก็รู้อยู่ตรงนั้นเองไม่ไปรู้อยู่ที่อื่นเพรา ะ, ะนั้นบน้นี่ภาวนานี่หมายความว่าเราน้อมสติเข้าไปควบคุมความรู้สึกอ น, นั้น ไม่ให้มันคิดไปทางอื่นให้มันรู้อยู่เฉยๆหมายความว่าอย่างนั้นเพราะมันคิดมามากกวนามากแล้วคนคิดมากนั้นเป็นคนมีใจคอฟุ้งส่านมีใจคอเรื่อนรอยไม่หนักแน่นดะนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงสอนให้ฝึกอย่าเป็นคน คิดมากให้เป็นผู้มีความคิดน้อยที่สุดเมื่อไม่เป็นคนคิดมากแล้วใจมันก็ไม่พุ่งสัน่นรำคาญมันก็สงบเย็นสบายอยู่ได้อันความสุขในโลกนี้นะ เราจะไปหาเอาที่อื่นมันไม่พบหรอกคนส่วนหลายนั่นเข้าใจว่ามีเงินมีทองมากมากมีบ้านอยู่สวยงามมีรถลาคีสบายนย่นี้เราถือว่ามีความสุขแต่แล้วความจริงไม่เป็นอย่างนั้น ขึ้นชื่อว่ามีแล้วนั่นมีสิ่งใดก็เป็นทุกข์กับสิ่งนั้นมีรถก็เป็นทุกข์กับรถรถมันต้องกินน้ำมันไม่มีเงินซื้อน้ำมันรถก็วิ่งไปไม่ได้อะไรอะไรมันมันต้องได้ปรุงได้แต่งได้รักษาเมื่อมีอะไรมา มีเงินมีทองมาก็ต้องรักษาถ้าไม่รักษาก็สูญหายอย่างนี้แหละมีรูปมีกายนี้มาก็ต้องได้เลี้ยงมันด้วยปัจจัยสี่ต้องหาอาหารมารอเลี้ยงมันทุกวันทุกวันวันล่ำสองคาบสามคาบนู่น กว่วมันจะอยู่ได้สำหรับคฤหัสถ์ต้องหาผ้านุ่งผ้าหม่มมาห่มมานุ่งกันต้องสร้างที่อยู่ที่อาศัยให้มันได้อาศัยกันพ้นกันลมกันแดดกันสัตว์ร้ายต่างๆต้องเตรียมยุกยาประจำบ้านไว้ ถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยลงเล็กน้อยก็ไม่ต้องไปหาหมอต้องกินยาที่มีอยู่ประจำบ้านนั้นแก้ขัดแก้จนไปถ้าเป็นหนักเข้าก็ต้องเข้าโรงพยาบาล น, นี่เมื่อมีร่างกายอันนี้มามันก็ต้องได้ประครบประงมต้องได้ดูแล กันอยู่อย่างนี้แหละกลัวว่ามันจะอยู่มาได้อย่างนี้นะถ้าขาดการดูแลอุปธรรมบํารุงแล้วนี่รูปกายอันนี้อยู่ไม่ได้เลยมีแต่เหี่ยวแห้งแตกลับทําลายไปเท่านั้นเองอย่าว่าแต่จะมีแต่ทรัพย์ภายนอกจะเป็นทุกข์กับทรัพย์ภายนอกเลย มีทรัพย์ภายในคืออัตภาพร่างกายนี้ก็เป็นทุกข์เป็นทุกข์เดือดร้อนกันทุกข์นั่นก็เป็นขั้นเป็นตอนไปคนมีบุญวาสนาีได้สั่งสมอบรมมาแต่ชาติก่อนบุญหนหลังมาอำนวยผลให้ อา้าวเกิดในตระกูลสูงบ้างพ่อแม่ปูย่ย่าตายายสะสมสมบัติอะไรต่ออะไรไหให้แล้วผู้เชนั้นค่อนชั่วน้อยถ้าผูใ้ใดบุญน้อยตั้งแต่ชาติก่อนน้นทำบุญให้ทานแต่น้อยเมื่อเกิดมาชาตินี้บุญนั้นมันก็มาแต่ง อัตภาพร่างกายให้ไม่ค่อยสมบูรณ์ตลอดถึงสิ่งแวดล้อมได้แก่ปัจจัยสี่นั่นแหละก็ไม่สมบูรณ์อดอดอยากยากเงินทองก็ไม่มีมากบ้านเรือนที่อยู่อาศัยก็จะสร้างใหญ่โตแข็งแรงก็ไม่ได้เงินไม่พอต้องสร้างเอาแต่พอกกำลังเงินมี พอได้อยู่ได้อาศัยผ้าหนุ่งผ้าอมเครื่องประดับประดาต่างๆมูนี่ถ้าจะซื้อเอาของราคาแพงๆของสวยงามประนีตบรรจงเงินทองก็ไม่มากซื้อไม่ได้ก็ต้องซื้อหาเอาของที่พอดีกับรักอ่ากับเงิน เอาหาของที่ราคาพอดีกับเงินที่มีอยู่มานุ่งห่มใช้สอยอย่างนี้แหละความเป็นอยู่ของมนุษย์เรามันสูงมันต่ำมันเจริญมันเสื่อมลงแตกต่างกันเพราะอะไรละ่ะเพราะบุญกรรมที่ทำมาแต่ชาติก่อนนั้นไม่เท่าเทียมกัน บางคนก็ผนวายทำบุญทำทานมากประพฤติสุจริตด้วยกายวาจาใจใช้กายวาจานี่กระทำในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นสิ่งใดที่จะเป็นโทษเป็นบาปเป็นกรรมแล้วไม่ทำผู้เช่นนั้นน่ะบุญกุศลมันก็ส่งผลให้ มาเกิดในตระกูลสูงอย่างว่านั่นเนี่ยร่ำรวยเงินทองเข้าของไม่อดไม่อยากมีอัตภาพร่างกายก็สวยงามรูปร่างผิวพรรณก็ประณีตละเอียดอ่อนคนมีบุญมาเป็นอย่างนั้นพู้เะ่นนั้นก็ได้ความทุกข์น้อยไม่ทุกข์มาก ไอ้ผู้บุญน้อยนี่สิมันมีทุกข์มากอะไรก็ขาดตกบกพร่องไม่เพียงพอตลอดถึงสติปัญญาอันไดก็ไม่แหลมคมการศึกษาเราเรียนสมองทึบจดจำอะไรก็ไม่ได้หมนี่พอเหตุว่าตั้งแต่ชาติก่อนโน้นก็ไม่สนใจในการศึกษาเราเรียนวิชาความรู้ สนใจก็นิดหน่อยๆไม่เอาจริงเอาจังพอเกิดมาชาตินี้ก็เลยกลายเป็นคนสมองทึบเนี่ยพูดถึงเรื่องกรรมอันนี้นะกรรมนี่มโนกรรมสำคัญนะใจมันชอบอย่างไรมันทำไปอย่างไรกรรมมันก็แต่งให้อย่างนั้น ดังนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงสอนให้คนเราอะเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมไม่ทรงสอนให้เชื่อมงคลตื่นข่าวอเชื่อมงคลตื่นข่าวหมอดูหมอเดานั่นแหละเที่ยวไปตามบ้านอไปทักทายบ้านนี้เข็ดบ้านนี้ขวางบ้านนี้มีสิ่งที่มีเสด็จจันไร ถ้าหากว่าไม่จัดการําำลักษ์ต่างๆแล้วจะเดือดร้อนกันจะอยู่ไม่เป็นสุขพอมีหมอดูเข้ามาทักทายอย่างนี้ก็กลัวกันไปทั้งบ้านเลยเทำยังไงพวกเราอ่ะนี่หมอเข้ามาทักแล้วบ้าน เลือนของเราเนี่มันมีสเสนียจันไล อ, ะอ่ะเดี๋ยวเราก็ทำพิธีไม่เป็นก็ต้องจ้างหมอคนนั้นแหละมาทำพิธีทำละมาทำพิธีขจัดสเสนียจันไลต่างๆที่หมอว่านั่นนะออกไปไอ้อย่างนี้นี่ในพระพุทธศาสนาไม่มี เพราะฉะนั้นอย่าพากันไปหลงเชื่อนั่นมันตำราพรามมันศาสนาพรามต่างหากพระพุเทธเจ้าทร ง, งแสดงไว้ว่า <c oughs> ยาติสั่งละพะเตพีสั่งตาติสั่งละพะเตพลัง กัลยาณนะกาลีกัลยาณนะังปาปการีจะปาปังแปลว่าผู้ใดหว่านพืชเช่นใดก็ย่อมได้รับผลอย่างนั้นฉันใดผู้ทํากรรมดีย่อมได้รับผลดีผู้ทํากรรมชั่วย่อมได้รับผลชั่วพระพระพุทธเจ้ายังได้ตรัสเป็นภาษิตไว้ยอย่างนี้ เพื่อให้ชาวพุทธทั้งหลายเอาไปคิดไปตรองกันไม่ให้ไปเชื่อปรำประาอันที่ไม่มีเหตุผลไปเชื่อในสิ่งที่ตนไม่ได้สร้างมันขึ้นมาแล้วธรรมดาหมอดูเขาว่าวันนั้นเดือนนั้นมันจะมีเคราะแล้ว จะถึงซึ่งความวิบัติอหรือจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือสิ่งมีอํานาจลึกลับมาทําให้เจ็บให้ป่วยมาทําให้เสียทรัพย์เสียสินอะไรไมทานองนั้นพอเขามาทํานายนั่นก็กลัวกันแล้วอืมกลัวจะเจ็บจะป่วยกลัวจะเสียทรัพย์เสียสินไป ก็ต้องหาอุนทางกําจัดเสเนียดจันไรเหล่านั้นอย่างว่ามานั่นเนี่ยที่นี้พระพุทธเจ้าไม่ทรงเห็นอย่างนั้นนี่เพราะองค์จัตวรู้แจ้งว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของขนงตะผู้ใดทำกรรมอันใดย่อมได้รับผลแห่งกรรมอันนั้นหมายความว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเป็นไป มันจะเจริญขึ้นหรือจะเสื่อมลงมันขึ้นอยู่แก่การกระทำของคนเราทั้งนั้นแหละทีนี้การกระทำนี้นะมันก็มีความหมายขอให้พากันเข้าใจเช่นความชั่วบางอย่างนี่นะที่บุคคลทาในชาตินี้นะแล้วมันมันไม่ได้ให้ผลในชาตินี้ก็มีมันติดตามไปให้ผลในชาติหน้านู่น ออืแต่กรรมชั่วบางอย่างบุคคลทําในชาตินี้มันก็ให้ผลชาตินี้อย่างเช่นบุคคลไปลักไปขโมยเอาสมบัติผู้อื่นว่าเป็นของตนไปจี้ไปปล้นเอาของเขามาเจ้าหน้าที่ตามตามจับได้ฟ้องร้องสารตัดสินในสิทธิคุกติดตารางไปนี่ความชั่วบางอย่างมันก็ให้ผลในปัจจุบันนี้ ก็มีมันเป็นงั้นมันเกี่ยวแกับการกระทําทั้งนั้นเลยเมื่อคนทำดีมันก็มีคนยกย่องสรรเสริญให้เกียรติให้ยศเหมือนอย่างที่ผู้เรียนวิชาครูมาอย่างนี้นะเมื่อเรียนแล้วสอบได้อิชาครูนั้น สมบูรณ์ผู้บังคับบัญชาหรือผู้ปกครองก็มองเห็นว่าคนนี้เป็นคนดีขยันเรียนเอาใจใส่ในวิชาความรู้สามารถที่จะสอนผู้อื่นได้เขาก็แต่งตั้งให้เป็นครูบาอาจารย์สั่งสอนสารสทธิ์ต่อไปนี่ผลแห่งการทำดีก็ได้เงินได้ทองมาใช้มาจ่าย ไม่ได้ทำงานกํพผลทนเด็ดอาบเหงื่อต่างน้ำแต่อย่างใดนั่งอยู่ในร่มเงาอย่างนี้แหละซึ่งแตกต่างจากคนที่ไม่มีวิชาความรู้เกียดคร้านในการศึกษาเราเรียนแต่ยังหนุ่มยังน้อยไม่เอาไหนการเรียนการเรียนภาคบังคับอย่างนี้นี่ เราไม่เอาไหนหาแต่หนทางดลีกเลี่ยงในการศึกษาเราเรียนเมื่ออายุครบเกณฑ์ที่จะต้องออกแล้วได้หรือไม่ได้ครูเขาก็จำหน่ายออกไปมันรบโรงเรียนเขาเลยไม่มีความรู้อะไรติดตัวไปนั่นเนี่ก็ชีวิตของผุรนั้นก็ถึงซึ่งความเสื่อมเหมือนพระจันทร์ข้างแรม แต่บางคนพอใจในการเรียนจริงๆตั้งอกตั้งใจเรียนท่องบนจดจำขยันมันเพียนโดยมาพิจารณาเห็นว่าคนเกิดมาในโลกนี้ถ้าไม่มีสติไม่มีปัญญาไม่มีวิชาความรู้แล้วก็ย่อมอยู่เป็นทุกข์ทามาหาเรื่องขีบก็ไม่ทันเขา มีแต่คนอื่นเขาเหยียดย้ำดูหมินไม่ดีเลยคนมีความรู้ความฉลาดสามารถทำความเจริญให้แก่ตนเองและผู้อื่นได้เท่านั้นแหละที่จะได้รับยุกย่องจากสังคมของมนุษย์ในปัจจุบันนี้หรือว่าในการไหนๆก็ตามเลยผู้ใดคิดเห็นได้อย่างนี้แล้วมันก็ขยันมันเพียร่ย ศึกษาเราเรียนวิชาความรู้ต่างๆทั้งทางโลกและทางธรรมให้เจริญงอกงามขึ้นในจิตใจของตนเพอย่างที่เคยพูดมาแล้วแต่ตอนหัวค่านุ่นเนี่ยความรู้ทางโลกเหมือนกับตาข้างซ้ายความรู้ในทางธรรมเหมือนกับตาข้างขวา เมื่อเรามีตาสองข้างอย่างนี้แล้วมันก็มองเห็นอะไรชัดเจนดีฉันใดเมื่อมีความรู้ทางโลกให้มากพอสมควรแล้วมันก็เป็นหนทางได้ประกอบธรรมมาหาเรื่องขีบโดยสะดวกสบายอย่างว่ามานั่นแหละถ้าทำคุณงามความดีเรื่อยไปมันก็จะเลื่อนขั้นจากครู ไปเป็นศึกษานิเทศบุรผู้อำนวยการการศึกษาเราเรียนขึ้นไปแล้วทาความดีไปดีไม่ดีก็ไปสมัครเป็นผู้แทนราษฎรได้เมื่อกเกษียณอายุราชการแล้วก็ได้เป็นผู้แทนราฐสรอนได้ช่วยเหลือ ราษดรในถิ่นที่ตนอยู่อาศัยให้ได้รับความสุขความเจริญเท่าที่ควรนี่พูดถึงความรู้ในทางโลกนี่อันมันจะเจริญไปได้อย่างนี้มันก็ต้องมีความรู้ในทางธรรมประกอบด้วยความรู้ในทางธรรมนั่นนะที่ท่านเรียกว่ากุศลกรรมบทสิบ นี่มันต้องศึกษาให้รู้ให้เข้าใจไว้เพื่อไปลงมือปฏิบัติตามเช่นกายกรรมสามวาจีกรรมสี่มโนกรรมสามนี่ท่านเรียกว่ากุศลกรรมบทสิบท่าทําดีนะถ้าทําชั่วท่านก็เลยบ่าอะกุศลกรรมบทสิบประการกายกรรมสามนั่น ฆ่าสัตว์หนึ่งรักช่อหนึ่งประพฤติผิดในกามหนึ่งเอาเติมดื่มสุรายาเมาของเสพติดโทษเข้าใส่อีกด้วยวัจีกรรมสี่นั่นพูดเพศหนึ่งพูดส่อเสียดยุยงให้คนอื่นแตกร้าวสามัคคีกันหนึ่งพูดคำหยาบคายดา่า แช่งดาพ่อดาแม่ดาโคดดาวงกันหนึ่งแล้วก็พูดเพ้อเจ้อเลวไหลหาประโยชน์ไม่ได้หนึ่งนี่เรียกว่าวจีกรมสีอันเป็นฝ่ายอาคุศลมมโนกรรมสามโลภอยากได้ของเขาหนึ่งขยาบาทฟองร้ายเขาหนึ่ง เห็นผิดจากครองทาหนึง่งผู้ใดประพฤติทุจริตด้วยกายวาจาใจอย่างนี้ท่านเรียกว่าอากูสนกรรมบทห ม, หมายถึงว่าการกระทำของผู้นั้นมันเป็นไปเพื่อทุกเพื่อโทษทั้งในปัจจุบันและเบื้องหน้าท่านจึงตั้งชื่อให้ว่าอากูสนกรรมบท หรือจะแปลให้ง่ายๆ่านั้นอีกก็แปลว่าการกระทาของบุคคลผู้ไม่ฉลาดอันนี้จะได้ความชัดดีคนไม่มีปัญญาคนไม่ฉลาดนี่มักจะทำไปในสิ่งที่มันเป็นไปเพื่อความทุกข์เป็นไปเพื่อความเสื่อมของชีวิตนั่นแหละเนป็นอย่างนั้น เช่นอย่างการฆ่าสัตว์อย่างนี้มันเป็นการแสดงถึงน้ำใจของบุคคลเป็นคนใจดำอมหิทธขาดเมตตาต่อสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันอนยะู่ในโลกสัตว์มนุษย์สัตว์เรนชานนี่แหละที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันเมื่อเรามองดูชีวิตเขากับเราเทียบกันแล้ว มันก็ไม่แปลกกันเท่าไหร่นักคือมีความเป็นอยู่ปรารถนาความสุขเหมือนกันไม่ต้องการให้ใครมาเบียดเบียนเหมือนกันต้องการอยากจะมีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปเหมือนกันหมดอย่างนี้นะเมื่อผู้ใดพิจารณาได้อย่างนี้แล้วมันก็ไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นหาทางหลีกเลี่ยง หานะทางหลีกเลี่ยงแหละโดยเฉพาะผู้ที่มีการมีงานทำมีเงินเดือนใช้สอยมันก็หาทางหลีกเลี่ยงจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตได้สำหรับผู้มีปัญญาผู้ไม่เห็นแก่ปากแก่ท้องอย่างนี้นะมันก็ส่งหาซื้อหาเอาโดยทางสุดจริตไม่ไปทำลายล้างผลานชีวิตของสัตว์อื่น นี่เรื่องของคนมีปัญญามันก็เป็นอย่างนั้นคนไม่มีปัญญาเนี่ยก็ไม่มีวิชาความรู้อะไระหาเงินหาทองก็ไม่ได้มากพอที่จะมาใช้จ่ายเงินทองนั้นซื้อหาอะไรต่ออะไรมาบริโภคได้เต็มอัตตา ทีนี้มันก็ต้องเลยไปเที่ยวค่ะเนือ่อเบือพระอะไรต่ออะไรมาเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียดีไม่ดีหาโดยทางสุจริตไม่ได้ก็หาเอาทางสุจริตต้องไปขี้ไปพร้นไปลักเอาของคนอื่นเขามาเลี้ยงชีพตัวเองและครอบครัวนี่นะ การกระทําทั้งหลายเหล่านี้ล้วนแต่เป็นไปเพื่อบาปเพื่อโทษทั้งนั้นเลยเอแล้วการไปทําชู้กับสามีหรือภรรยาคนอื่นมโมนี่การดื่มเหล้าเมาสุราอะไรโมนี่มันเป็นความประพฤติทางกายเป็นบาปเป็นอกุศลจําเอาไว้ผู้ใดก็ดีพยายามหลีกเลี่ยงอย่าไปทําอย่างนั้น ทำถ้าเมื่อเว้นกรรมชั่วต่างๆทางกายดังกล่าวมานี้ได้แล้วเราทำอะไรก็ดีทั้งนั้นเลยเมื่อเว้นกรรมชั่วเหล่านี้แล้วนะนั่นเนี่ยทำอะไรไปก็มีแต่เป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นทั้งนั้นเลยส่วนว่าจีกรรมศีนั่นถ้าเว้นจากพูดเทศพูดซอเสียดพูดคำหยาพูดเพ้อเจ้อแล้ว ก็มาหัดพูดคำจริงบ้านี้อย่าไปหัดพูดโกหกหลอกลวงคนอื่นให้เขาเสียทรัพย์เสียสินหัดพูดแต่คำจริงจนติดฤทธย์แล้วก็หัดระมัดระวังคำพูดคำจาบางคนเนะ่ะชอบพูดทอเสียดยุโยงให้คนอื่นแตกร้าสามัคคีกัน เมื่อเกลียดชังคนไหนแล้วอย่างนี้นะก็ไปยุให้เขาแตกสามัคคีกันเมื่อเกลียดชังคนเราใดแล้วเป็นนาไปปั้นเอาเรื่องของคนนั้นมาต่อคนนี้วัาคนคนนั้นนะว่าให้คุณคนนั้นคิดจะเบียดเบียนคุณอย่างนั้นอย่างนี้เอาผู้นี้ก็หูเบานึกว่าเป็นความจริง โกรดแล้วหาทางแก้แค้นที่แท้เจ้าตัวไม่ได้รู้อะไรเลยคนนั้นนะอือย่างนี้ะท่านเรียกว่าพูดสอเสียดคนดีทั้งหลายเขาไม่พูดกันใครจะทําดีทําชั่วอย่างไรก็เรื่องของใครของมันแม้เราจะเกลียดชังคนนั้นอยู่ก็อย่าไปหาอุบายคิดต่อเสียดพูดสอเสียดให้เขา ทะเลาะวิวาดแตกสามาคีกันมันเป็นกรรมเป็นเวรก็ให้รังเกยียดแต่เฉพาะบุคคลเท่านั้น<ะ>อย่าไปลามปามไปถึงคนอื่นอย่าไปหัดพูดคำหยาบพูดแต่คำอ่อนหวานพูดแตกเรื่องราวที่เป็นประโยชน์ตนและผู้อื่น<ะ>อันนี้ท่านเรียกว่า พูดดีทางวาจาเมื่อพูดดีแล้วมันก็เป็นบุญเป็นกุศลเหมือนอย่างโบราณท่านกล่าวเป็นคำโคลงไว้ว่าถึงพูดดีเป็นศรีศรษ์มีคนรักรส ถ, ถอยอร่อยจิตถ้าพูดชั่วตัวก็ตายทำลายมิตรจะชอบผิดในมนุษย์เพราะพูดจามีคำโคลงท่านกล่าวไว้ มันก็ถูกต้องแหละเมื่อเราพูดดีพูดมีเหตุมีผลพูดชักชวนคนให้ประสานสามัคคีกันไม่ให้ทะเลาะวิวาดกันอย่างนี้ก็ได้รับ ย, ยกย่องจากสังคมแหละคนทั้งหลายก็ชื่นชมยินดีกับวาจาคำพูดของผู้นั้นเพราะมันเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่คนหมู่มาก มันนำมาซึ่งความสมัครสมานสามัคคีกันมันเป็นคำพูดที่ไว้เนื้อเชื่อใจกันได้ไม่ตอแหลไม่เป็นคำพูดพลิกแพงไปจากเคลื่อนคาด จ, จากความเป็นจริงเหตุฉะนั้นนักปราชญ์ท่านจึงแต่งเป็นคำโครงไว้อย่างนี้แหละพูดดีก็เป็นศีรษะ มีคนรักรสถ้อยอร่อยิตยนั่นนะคำพูดดีเหมือนอย่างคำพูดของพระพุทธเจ้านั่นนะพระองค์พูดตั้งแต่ล่วงแล้วมาได้สองพันห้าร้อยกว่าปีพระวาจาของพระองค์ก็ยังก้องกังวันอยู่ในหูของคนคนก็ยังเอามากล่าวสรรเสริญเยินยอจนถึงทุกวันนี้แหละ อย่างเราสวดอิติปิโสพระควาอะไรโมนี้นะก็เรียกว่าเรากล่าวสรรเสริญพระคุณของพระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์ทรงแสดงธรรมภพรละในเบื้องตนได้แก่ศีลไพรละในถ้ากลางได้แก่สมาธิไพรละในตอนปลายได้แก่ปัญญาเ<ม>นี่ยพระวาจาของพระองค์ที่แสดงออกมา ล้วนแต่ชักชวนให้คนละกมชั่วทำความดีและก็อบรมจิตของตนให้มีปัญญาให้เกิดความรู้ถูกเห็นถูกเห็นชอบตามทํานองครองธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี่เรียกว่าการฝึกผลจิตใจให้เข้าร่องเข้ารอย เมื่อไม่โลภอยากได้ของผู้นอเป็นของตนแล้วมันก็ถือสันตุิีตามมีตาได้ตนแสวงหาเข้าของเงินทองได้มาเท่าไหร่ก็ยินดีบริโภคใช้สอยอยู่ตอนนั้นก็มีความสุขสบายใจดีไม่ต้องไปยื้อแย่งเอาของผู้อื่นมาเป็นของตนอันนั้นเป็นกรรม เ, เวรเมื่อเจ้าของเขารู้เข้าเขาก็ผูกพยาบาทเขาก็หาทางแก้แค้น หาความสุขสบายไม่ได้เลยบุคคลตัวมีน้อยก็ยินดีบริโภคใช้สอยตามน้อยตนมีมากก็ใช้สอยตามมากเช่นนี้แ่ะมันแสนสบายไม่มีใครเขาว่าอะไรเลยอย่างนี้แหละคนไม่โลภนะมันเป็นเหตุให้ได้รับความเยือกเย็นสบายใจคนเป็นผู้สำรวมจิตใจของตน ให้ตั้งมั่นอยู่ในบุญในกุศลให้ตั้งมั่นอยู่ในเมตตาธรรมเมื่อกบันเทาเสียได้ซึ่งความโกรธความพยาบามคนเราถ้ามีเมตตาแล้วนั้นใจสบายใจเย็นพราะเราต้องการปรารถนาจะจะให้บุคคลอื่นและสัตว์อื่นเป็นสุขทั่วหน้ากันภายในจิตใจไม่คิดจะให้ใครเป็นทุกข์เดือดร้อนชีพหาย แต่อย่างไรแม้ว่าจะไม่มีความพอใจกับบุคคลบางคนก็ตามเราก็ไม่คิดที่จะให้เขาสิบผายวายวอดกละงับอารมณ์อันที่ความไม่พอใจนั้นเสียเช่นนี้ก็แสนสบายเลยคนเรานะนั่นแหละควาแสน สบา ย, ยิ่งกว่านั้นคือทําความเห็นให้ถูกต้องอันคนเรานี่ถ้าไม่ได้ฟังคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็มักจะมีความเห็นผิดเป็นชอบไปเพราะความเห็นบางคนบางพวกบางเหล่าคือคนนอกจากผู้นับถือพระพุทธศาสนาเนี่ยคนนับถือหลักที่อื่นศาสนาอื่นนี่มันอาจมีความคิด เห็นผิดจากทำสอนพระพุทธเจ้าไปจะเห็นว่าทำบุญไม่ได้บุญทำบาปไม่ได้บาปโลกหน้าไม่มีอย่างนี้นะนรกสวรรค์พระนิพพานไม่มีข้อปฏิบัติอันเป็นเครื่องดําเนินไปสู่สวรรค์พระนิพพานก็ไม่มีความคิดความเห็นอย่างนี้ในทางพระพุทธศาสนาเห็นว่าเป็นความเห็นผิดเป็นชอบเห็นไม่ถูกต้อง ไม่เป็นทางพ้นทุกเห็นอย่างนี้มีแต่เดินไปสู่เหวี่ยแห่งความทุกข์ทั้งนั้นเลยชีวิตนั้นเพราะอะไรนะก็เพราะว่าเมื่อมันเห็นว่าทำบุญไม่ได้บุญทำบาปไม่ได้บาปแล้วอยากทำชั่วอะไรมันก็ทำไปเลยเพราะทำชั่วไปแล้วไม่มีผลตอบสนองให้เป็นทุกข์มันเห็นอย่างนั้นคนเราเหต น, นั้นน่มันจึงได้ทาชั่วได้ บางคนเห็นผิดลึกเข้าไปกว่านั้นเห็นลงไปจนว่ามารดาบิดาวันี้ไม่มีคุณต่อบุตรธิดาเลยมารดาบิดาชอบสนุกกันแล้วก็สมสู่อยู่ด้วยกันแล้วก็ได้บุตรออกมาได้บุตรธิดาออกมาเท่านั้นเองเนะียไม่ใช่ว่ามีความหมายอะไรเท่าไรนัก ความเห็นของคนบางคนบางพวกเป็นอย่างนั้นเมื่อมันเห็นอย่างนั้นแล้วมันก็เห็นไปว่ามารดาบิดาไม่ได้มีคุณต่อบุตรธิดาเลยที่นี่เมื่อมารดาบิดาเลี้ยงใหญ่โตมาแล้วก็ไม่ด๋ยลแล้วทอดทิ้งมารดาบิดาไปเสียอย่างนี้นี่มันความคิดเห็นอย่างนี้นะมันไม่สมเหตุสมผลเลย ถ้าบุคคลผู้ที่เขารบต่อเหตุผลแล้วนับว่าผิดถนัดเอาจริงๆทำไมจึงว่ามารดาบิดาไม่มีคุณต่อบุตรธิดาถ้าสมมุติว่ามารดาใจดำนะมีอยู่ในโลกอันนี้ทุกวันนี้ก็มีแต่อดีตมานึ่กว่ามีเมื่อสมสู่อยู่ด้วยกันมีท้องขึ้นมาแล้วไม่อยากเลี้ยงลูก เอาก็ไปหาหมอจำาย่เขาทำแท้งซะหมายควาว่าฆ่าลูกอยู่ในท้องให้ตายซะเนี่นี้แหละเอาโนมสาวบางคู่ไม่ทันได้แต่งงานกันไปหลงได้เสียกันไปซะจนตั้งท้องขึ้นมาอย่างนี้นะไม่ปรารถนาอยากจะได้ลูกอับอายขายหน้าเขาฮก็ไปหาหมอ เอาเงินไปจ้างหมอให้เขาทำแทงให้ให้เขาฆ่าลูกในท้องให้ตายซะอันมนี้นะมันเป็นความเห็นผิดทั้งนั้นเลยไม่ไม่พิจารณาดูตนของตนไม่ทบทวนดูเลยไอ้ตนนะเป็นเป็นเหตุกับตนนี่แหละเหตุที่ลูกมันจะได้มาเกิดด้วย ก็ตนนี่แหละชอบสนุกสนานแล้วเวลาเขามาเกิดด้วยแล้ววันนี้อา้าวขี้เกียจเลี้ยงคนใจดําำไปอย่างนั้นนั่นแหละคนบางคนเลยไม่ได้เกิดมาเห็นฟ้าทําถูกมารดาฆ่าตายอยู่แในท้องนู้นนั่นเรียกว่ามารดาใจดําใจบาปทีนี้ที่เราได้เกิดมาเป็นคนขึ้นมานี่ อาศัยมารดาบิดานี่มีพรมวิหารธรรมต่อลูกเหลือล้นพ้นประมาณรักลูกก็รู้ว่าลูกมาเกิดในท้องแลย้ยางนี้ธนุถนอมคันไม่ให้เป็นอันตรายไม่ให้กระทบกระเทือนอย่างแรงกินเผ็ดก็ไม่ได้กินร้อนมากก็ไม่ได้กลัวมันจะไปทำลายลูกอยู่ในท้อง มารดาผู้มีเมตตาต่อบุตรที่ดาเป็นอย่างนั้นนะประคับประคองจนวครบถ้วนเก้าเดือนสิบเดือนแล้วก็คลอดออกมาคลอดออกมาแล้วก็รักลูกเอ็นดูลูกทนุธนอมเลี้ยงดูแม่จะยากลำบากเท่าไรไม่ได้หลับได้นอนก็อดทนลูกบางคนเลี้ยงยากร้องให้ไม่หยุดไม่ยัง้งกลางคืนมาแม่ก็จนนอนไม่หลับ แต่ถึงกระ น, นั้นก็ยังไม่โกรธลูกอ้อทนเอาเคำอ่ อ, อยออดเอาอยู่อย่างนั้นแหละลองคิดดูทำไมจะว่าพ่อแม่ไม่มีคุณล่ะบ่เนี้ถ้าพ่อแม่เป็นคนใจดำลนะ่ะอา้าวทำให้ลูกตายเสียแต่ยังอ้อนยังออกนู่นกระทำได้นะอืก็ตายไปเลยเลยถ้าพ่อแม่ใจดำนะเป็นอย่างนั้น การที่พ่อแม่ได้เลี้ยงดูผูเสือมาจนใหญ่กล้าหน้าบานมาพันนี่สแสดงว่าพ่อแม่มีคุณธรรมมีเมตตาปรารถนาที่จะให้ลูกของตนนั้นเจริญวัยใหญ่โตขึ้นมาเหมือนอย่างคนอื่นๆเขาเมื่อเจริญวัยใหญ่โตขึ้นมาแล้วก็ยังไม่แล้วเอาต้องหาเงินหาทองพาลูกไปฝาก กับครูให้ศึกษาเล่าเรียนภาษาของชาติในขั้นต้นนี้นะแล้วก็เรียนวิชาอาชีพประกอบด้วยจบภาคบังคับแล้วก็ขึ้นสู่ขั้นมัธยมขั้นอุ ด, ดมเลื่อยไปแล้วแต่มารดาบิดาจะพึ่งช่วยเหลือลูกของตนได้เท่าไรก็ทำไปนุ่น่ะมารดาบิดามีคุณต่อลูก ดูทีลูกจะได้มีวิชาความรู้จะได้ทำราชการงานเมืองก็ดีหรือจะได้เป็นพ่อค้านายห้างหรือจะเป็นเจ้าของเกษตรกรรมเจ้าของฟาร์มฟาร์มทำนาทำสวนอะไรต่างๆหมูนั้นมันก็ไปจากมารดาบิดานี่เองส่งเสริมให้ลูก ได้ศึกษาเราเรียนวิชาอาชีพสูงขึ้นไปโดยลำดับและจะว่ามารดาบิดาไม่มีคุณยังไงล่ะอันนี้โดยเหตุผลแล้วเป็นอย่างนี้แหละในพระพุทธศาสนานี่ท่านทำอะไรพูดอะไรหรือว่าคิดเห็นอย่างไรนั้นต้องมีเหตุมีผลนับแต่พระพุทธเจ้านั่นแหละเป็นต้นมา ดังนั้นพระองค์เจ้าแสดงธรรมนั้นย่อมประกอบไปด้วยเหตุด้วยผลทั้งนั้นเลยสิ่งใดไม่มีเหตุไม่มีผลแล้วพระองค์ไม่ได้นำมาแสดงให้คนทั้งหลายฟังเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นจากการกระทำอย่าว่าแต่สิ่งที่มีจิตวิญญาณเท่านี้เลยพูดถึงการกระทานี้นะ แม้แต่ต้นไม้ใบหญ้าอย่างนี้นะมันก็ยังขวนขวายดูดเอาอาหารไปเลี้ยงลำต้นของมันนะให้เจริญงอกงามขึ้นไปจนผลีดอกออกผลให้คนได้รับประทานหรือว่าจนเป็นล่มเงาให้คนได้อาศัยนี่อาการกระทำของต้นไม้อันนั้นนะแต่มันไม่จิตไม่มีไม่มีจิตวิญญาณครอง แต่มันมีชีวิตต้นไม้นี่นะคือมันสามารถขนขวายหาอาหารรอเรียงลําต้นของมันให้เจริญเติบโตขึ้นไปได้อันนี้พืชเหล่านี้เรียกว่ามีชีวิตแต่ไม่มีจิตปิญญาอาศัยแต่สําหรับคนก็ดีสัตว์ในฉันก็ดีมีทั้งชีวิตมีทั้งดวงจิตมาประสมกันอยู่นี่นะ่ะอ่า มีชีวิตก็หมายความว่ารู้จักขวนขวายหาปัจจัยทั้งสี่มีอาหารเป็นต้นดังกล่าวมานั่นแหละมาเลี้ยงตัวเองได้รู้จักคิดอ่านหาวิชาความรู้ใส่ตัวอย่างนี้เรียกว่ารู้จักคิดอ่านหาทําความเจริญให้แก่ตัวเองได้เนี่ยชีวิตของมนุษย์นี่ ชีวิตของสัตว์มันก็หาความเจริญใส่ตัวของมันตามฐานะของสัตว์ดิเรกฉานนั่นแหละสัตว์ดิเรฉาันมันไม่มีปัญญาเหมือนมนุษย์เอมันก็หาความเจริญใส่ตัวของมันเองเท่าที่มันจะทําได้แต่มนุษย์เรานี่แหละถ้าฝึกขนอบรมไปดาเนินตามทํานองครองธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว ชีวิตนี่ย่อมเจริญรุ่งเรืองได้จริงๆเลยทีเดียวอันบุคคลนี่ส่วนมากเนะี่ยมักจะใจร้อนทำอะไรลงไปแล้วอยากให้มันได้ผลไวๆถ้ามันไม่ได้ผลไวๆทันใจแล้วลงถอยไม่ทำซำ้ำอันนี้ผู้พูดเช่นนี้ก็เรียกว่าไม่ เข้าใจในเหตุผลไม่เข้าใจในเหตุผลแห่งชีวิตของตนและธรรมชาติอย่างอื่นลองดูไอปลูกต้นไม้ลงในดินอย่างนี้นะพอปลูกลงไปเราจะบังคับให้มันเจริญไวทันทีเลยจะให้ผลดอกออกผลทันทีเลยนี่มันจะได้ที่ไหนล่ะนั่นเนี่ยปลูกลงไปแล้วมันก็ต้องใส่ปุ๋ยรดน้ำ รักษาศัตรูพืชต่างๆไม่มารบกวนมันต้นไม้นั้นมันจึงงอกงามเจริญผลิดอกออกผลให้เจ้าของได้ตามการตามเวลาถึงมันเจริญขึ้นยังไงถ้าไม่ถึงการเวลามันก็ไม่ผริดอกออกผลลองคิดดูธรรมชาติต้นไม้ใบหญ้าซึ่งไม่มีจิตวิญญาณครองมันมันก็อาศัยการเวลาเหมือนกันนี่อื ว่ามันจะผลิดอกออกผลได้อันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละคนเราอ่ะการทําความดีอะไรลงไปแล้วอย่างนี้นี่จะให้มันให้ผลทันทีทันใดเลยจึงจะเชื่อจึงจะทําตามอย่างนี้มันมันปราศจากเหตุผลความเห็นอย่างนั้นนะ่ะถ้าความเห็นที่ถูกต้องแล้วก็อย่างที่ว่ามานั้นเนี่ย เหมือนอย่างวิชาปลูกต้นไม้นั่นแหละต้องอาศัยเวลาอันนี้เหมือนกันการทำความดีในชาตินี้มันจะต้องติดตามให้ไปให้ผลในชาติต่อไปบุคคลทำความดีมาแต่ชาติก่อนหนนหลังโน้นความดีคือบุญกุศลนั้นเนี่ยมันติดสอยห้อยตามมานำจิตวิญญาณนี้ให้ได้เกิดมาเป็นคน มีอวัยวะร่างกายครบท้วนบริบูรณ์อย่างนี้เนะี่ยมันถ่ายทอดกันไปเป็นทอดทอดไปอย่างนี้นะบุญกรรมบาปกรรมนี่บาปบาปก็เหมือนกันนยะบาปที่บุคคลทำมาในชาติก่อนนุ่นมันก็ติดสายห้อยตามมาให้ผลต่ออัตภาพร่างกายจิตใจในปัจจุบันชาตินี้เหมือนอย่างคนบางคนนะเจ็บไข้ได้ป่วยลงแล้ว รักษาอย่างไรก็ไม่หายจะตายก็ไม่ตายอย่างนี้นะนั่นเรียกว่าผลแหง่งบาป ก, กรรมที่ผู้นั้นทมาแต่ชาติก่อนมันตามมาสนองเอาวันนี้บุคคลทำกรรมชั่วในชาตินี้นะมันยังไม่ให้ผลเช่นคนบางคนฆ่าคนมาแล้วหลายคนนะแล้วยังเดินลอยนวลอยู่ได้สบายไม่ได้ติดคุกติดตารางก็มี ทามาหากินได้เหมือนกับคนตัวทั่วไปไงไม่ได้รับความทุกข์ทนทรมานอะไรก็มีอย่างนี้นะเพราะอะไรเล่ามันจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าบุญที่เขาทามาแต่ชาติก่อนนั้นมันยังรักษาชีวิตเขาอยู่มันยังป้องกันชีวิตเขาไว้ไม่ให้เป็นทุกข์เดือดร้อนมันนีไปอยู่ไปผล ของบุญกุศลอันนั้นมันหมดอายุลงคราวนี้บาปที่บุคคลกระทำนั้นมันกใกล้ผลสืบต่อได้เลยบาปกรรมบางอย่างมันก็ไปให้ผลเอาเวลาตายลงไปอ่พะพอจิตวิญ ญ, ญาณออกจากร่างนี้แล้วบาปที่บุคคลทำนั้นมันก็มาฉุดฆ่าเอาจิตวิ ญ, ญญาณของผู้นั้นไปเอาไปสร้างรูปสัตว์นรกขึ้นมา เมื่อสร้างรูปกายขึ้นมาเป็นสนัตว์นรกขึ้นมาแล้วจับโยนลงในนรกนั่นให้ไฟน้ำร้อนลวกไฟเผาอยู่ในนกร้องโควนคางอยู่นู่นนั่นแหละบาปกรรมมันไปแต่งให้เป็นรูปร่างของเปรตหน้าเกลียดหน้ากลัวโดอยากลำบากมูนีเนี่ยเรื่องบาปกรรมมัน ถ่ายทอดกันเป็นทอดทอดไปอย่างนี้นะให้พึ่งพาเาพากันเข้าใจให้มันถูกต้องเมื่อผูใ้ใดเข้าใจถูกต้องอย่างนี้นะมันก็เว้นจากการทำบาปเลยกลัวมันจะตามให้ผลไปในชาติหน้าต่อไปตนอยากได้รับความทุกข์ยากลำบากและกลัวมันจะให้ผลเป็นทุกข์ในปัจจุบันนี้ด้วยพราะบาปบางอย่างให้ผลเป็นทุกข์ในปัจจุบันดังกล่าวมานั่นแหละ มันเป็นอย่างนั้นนี่นหละคนผู้มีสติปัญญาได้ฟังคำสอนของผู้เท่เจ้าแล้วก็รู้จักทำความเจริญให้แก่ตัวเองเหมือนอย่างไอพืชต่างๆที่งอกงามเจริญอยู่ในพื้นแผ่นดินนันเนี่ยนั่นแหละมันก็ยังรู้จักดูดอาหารไปหล่อเลี้ยงลำต้นของมัน ให้เจริญงอกงามไปได้คนเรานั้นยังมีชีวิตจิตใจมีความนึกคิดดีกว่าธรรมชาติต่างๆเหล่านั้นสามารถที่จะทำตนให้เจริญลุ่งเรืองขึ้นไปได้ให้ยิ่งๆขึ้นไปนี่เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้น เมื่อผู้ใดได้สดระรับฟังคําสอนของผู้เท่เจ้าดังกล่าวมานี่แล้วให้พึ่งพากันน้อมเข้าไปคิดไปพิจารณาอยู่ในใจให้รู้ให้เห็นด้วยตนเองขึ้นมาแล้วสรุปสุดท้ายเมื่อเกิดความรู้ความเห็นว่าทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วดังกล่าวมานี่นล้ เมื่อศึกษารู้ว่าสิ่งนี้มันชั่วแล้วก็พยายามละเว้นไม่ทําไม่พูดไม่คิดไปในทางชั่วนั้นเมื่อพิจารณาเห็นว่าทําอย่างนี้พูดอย่างนี้คิดอย่างนี้มันดีตามกุศลกรรมบทสิบที่อธิบายฟังมานั้นก็พยายามฝึกขัดกายวาจาใจทั้งตนทําพูดคิดให้ดีให้เป็นประโยชน์ตนและผู้อื่น ยิ่งยิ่งขึ้นไปอย่างนี้แหละจึงมีชื่อว่าสมกับว่าเราได้เกิดมาเป็นมนุษย์ด้วยอำนาจบุญกุศลหนลังตกแต่งให้แล้วก็ได้มาพบพระพุทธศาสนาอันประเสริฐนี้แล้วได้มีศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสในบรวรพุทธศาสนานี้เราลงมือประพฤติปฏิบัติตาม ดังแนะ น, นำข้ามสอนมานี้ผู้ใดปฏิบัติตามได้แล้วผู้นั้นก็จะมีความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปดังแสดงมา